สิกขาบทที่7ภิกษุนีเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาวิกาลปูหรือใช้ให้ปูที่นอนโดยไม่บอกเจ้าของบ้านแล้วนั่งต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังนั่งต้องอาบัตทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อนั่งแล้วต้องอาบัตปาจิตตี